พอปฏิบัติในสมัยนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ท่านฝึกฝนอบรมตามมาติของตนโดยที่คิดว่ามันจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามต่างคนก็อธิบายไปต่างๆนาน า, นา เพื่อให้เข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปความประสงค์เจตนานั้นดีเหมือนกันแต่ว่ายากที่พุทธบริษัทจะจับไปปฏิบัติฝึกหัดได้ทั่วถึงเพราะทุกองค์ปฏิบัติเป็นไปแล้วยิงค่อยนามาสอน นักานี้ผู้ที่ฟังก็ลังเลไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์เหตุนั้นจึงขออธิบายข้อใหญ่เจ้ความซึ่งจะทิ้งปฏิบัติที่เป็นทางถูกที่สมควรแต่นั่นก็ไม่แน่นักท่านทุก องที่สอนก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ลองดูที่จะอธิบายเนี่ยมันจะถูกต้องไหมนีม่เหตุผลเพียงพอไหมธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้ข่วงขวางที่กรรมฐานทั้นก่อนสอนไว้ข่วงขวางถึงสี่สิบกรรมฐานสี่สิบระยการ เรียกว่าอนุสติสิบคือลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เลืกถึงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ชิดประการมีพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นอสุภสิบวิจนาของไม่งามเรียกว่าธาตุธาตุวัฐานสี่ อาหารปฏิกูลหนึง่งมีหลายอย่างที่ท่านแสดงไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ภาวนากรรมฐานทั้งนั้นเรื่องที่ท่านแสดงนั้นสรุปรวมใจความลงก็เรียกว่าให้จิตรวมเป็นอันหนึง่ง ถ้าจิตไม่รวมก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดจิตรวมแล้วไม่ต้องใช้มากใช้อารมณ์อันเดียวก็พอความประสงค์ก็คือว่าอยากจะเอาจิตตรงนั้นให้รวมเป็นหนึ่งลงไปได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องเอามากมายถูกมด ถ้าหากว่าจิตไม่รวมเสร็จแล้วมากสักเท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์แม่ที่สุดไม่ใช่ก ร, รมฐานสี่ินี้ก็เอาก็เอาถึกถ้าองค์หนึ่งไปเจริญสมถานอยู่ริมขอบสะแห่งหนึ่งเห็นนกยางกินปลา เอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์น้อยอย่างกินปลานุ่อย่างกินปลาเท่านั้นจิตก็ยังรวมลงไปได้ชนะภาษาอะไรกับกรมกรมฐานสี่สิหมายความว่าอารมณ์มั น, นั่นเอามาล่อให้จิตเข้ามารว ม, มเหมือนกรเยือเราล่อปลา เอามาติดเบ็ดด้วยให้ปลากินเบ็ดเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยือ่อเอาตัวปลานนั้ไปใช้ประโยชน์เอาไปต้มไปแกงเอาปลานื้อต่างหากเล่าฟึกอัดจิตแล้วอบรมจิตถ้าหากจิตรวมได้แล้วเราไม่ต้องเอาเหยือ่อคือไม่ใช่บริกรรม ทิ้งเสียบริกรรมหรืออาจจะทิ้งเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งมันหาทิ้งเอ ง, งนั้นเรียกว่าสมาธิเป็นแล้วสมาธิถึงขั้นแล้วจิงค่อยวางขณะที่รวมลงไปจิตรวมเรียกว่า รวมลงเป็นหนึ่งมันทิ้งเองเหรอถ้าหากไม่ทิ้งเราสังเกต ด, ดูจิตรวมลงไปรู้สึกว่าสบายเยือกเย็นมีความสุขสงบอารมณ์ใงฝวงมดในเกี่ยวของอันนั้นก็เรียกว่ารวมเมืองกับให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้น นี่หละเรียกว่าสมาธิใครจะว่าไ ง, งว่าไปเถอะถ้าหากไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้ส่วนเปียย้อยนอก้นแล้วแต่จะพิสดารออกไปบางคนอาจจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นก็ใจคนเดียวนไปเห็น บางทีอาจเกิดแสงสว่างเพราะใจนั่นแหละสว่างแต่หากว่าใจนั่นแหละส่งออกไปตามแสงสว่างใจนั่นแหละส่งออกไปตามอารมณ์อันนี้เรียกว่าส่งในจิตส่งในมันส่งไปตามอาการของใจหิตแต่มันเห็นชัดด้วยใจของมันเอง หากมีคนไปถามว่าส่งไหนใช่ไหมฉันไม่ได้ส่งฉันจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นถูกจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นแต่เห็นแล้วมันส่งอย่างเราเข้าไปอยู่ในหอ้องจุดไฟดได้จุดอ ไฟฟ้าเปิดสวิทไฟฟ้าเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดมองดูกับสิ่งทั้งหลายนั้นเพลินกับสิ่งทั้งหลายนั้นแต่ไม่ได้ส่งออกนอกเรียกว่าส่งในการหัดภาวนาทมสมาธินี้ค่อยทำค่อยเป็นจะไม่ทำเลยไม่ได้ เราเป็นพุทธมามะกะเราต้องสํำรวมรักษาใจของตนให้ได้ศาสนาอยู่ที่ใจแห่งเดียวถ้าใจสงบแล้วนั่นแหละชื่อว่าเข้าถึงศาสนาแล้วจะเพียงแต่ว่าทำทานการกุศลและรักษาศีล น, นี่เพียงเปลือก เพียงเพินเผลิน เ, เพียงกบพียังไม่ใช่เพียงเปลือกยังไม่ใช่กบพีรักษาศีลก็ยังเป็นเปลือกเกี่ยวสำหรับหล่อเลี้ยงกะพีมันนั่นแหละทมสมาธิเป็นเหตุส่งเสริมให้ทำสมาธิแน่วแนว่ สิ้คือความรักษ า, ากายวาจาใจงดเว้นจากโทษนั้นนั้นสิ้นก็อันเดียวอีกแหละถ้าหากศิ้นลงอันเดียวแล้วไม่ต้องไปรักษามากสิ้นท่าสิ้นแต่ไม่ต้องไปรักษารักษาทิศด้วยใจใจที่งดเว้นจากขมชั่วนั่นเรียกว่าศิ้น ศีลเป็นเครื่องวัดของคนเป็นเครื่องวดองังวดของผู้งดอของผู้ถึงพระอรตนาสัยคือถึงพระพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์ศีล น, นี่เลยเป็นเครื่องวดัดทำชั่วทำผิดอะไรต่งตางๆมันผิดห้าขอ้องดเว้นเสียห้าข้อก็คนจากศีล คือไม่มีสินไม่ไม่งดเว้นเทจากสินคือว่าไม่ต้องรักษาสินสินรักษาเรารลกษครานี้ที่แรกเรารักษาข้อหนึ่งข้อสองสามสี่หกตั้งจิตตั้งใจรักษาเน้ถึงวันพระวันสินอุตสาไปวัดไปว่ารักษาสินเจตนางดเว้น เ, เบื้องตน้น เมื่อศีลเข้าถึงตัวจริงแล้วศีล น, นั้นไม่ต้องรักษาชีารักษาเราหมายความว่าทุกขกิริยาบทยืนเดินนั่นงนอนเห็นตัวใจนั้นงดเว้นเจ้าจความช่วเห็นตัวใจนั้นละบาปเห็นตัวใจนั้นละอายต่อบาปต่อบาปกรรมต่าง ชิ้นเด้ลเล ย, เ, ลยเป็นการรักษาตัวอยู่ในนั้นคือรักษาตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวก็หมดเรื่องกันนี่เลยจึงว่าเปลือกยังเป็นเปลือกอยู่แก่นคือไอกะพีคือสมาธิจิตแน่วแน่เป็นสมาธิภาวานา เป็นเอกกตาจิตแน่วแน่อยู่ยอารมณ์อันเดียวอันนี้เรียกว่ากะพียังเป็นกะพียังไม่ใช่แก่นแท้คือสมาธิอาจจะกับกายไปเป็นสัญญาอารมณ์ไปอาจจะเหลวไหลไปก็ได้อาจจะพลังเผอไปก็ได้สมาธิ ไม่อยู่คงที่วันนี้ดีวันคุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีเมื่อวันไม่ดีแม้แต่กันในขณะเดียวนั้นก็เหมือนกันเบื้องต้นดีไปตอนปลายถ้าไม่ดีมันเหลวไหลไปส่งไปตามอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงรูงแต่ง นันจึงว่ายัางเป็นกะพีอยู่ถ้าหากกะพีนี่แหละนักแน่นแน่วเนไม่มีการวันไหวเป็นอัจราสัทธากะพีนี่เลยกลายเป็นแก่นทำให้มั่นคงทาบ่อนต่อไปเกิดอุบายเกิดปัญญา ได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาในอารมณ์อันเดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นแกน่นถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบบริบูรณ์ทั้งสามนี่แล้วไดเชื่อว่าต้นไม้นั้นทรงอยู่ ต้นไม้นั้นไม่ตายถ้ามีแต่กระพี่มันก็ตน้นมื่นถ้ามีแต่เปลือกมันก็ต้นกล้วยย่อมหักเร็วถ้ามีแต่เปลือกและกะับพี่ต้นท้องหลางเราก็หักเร็วเมือกันถ้ามีทั้งเปลือกทั้งกรบพี่ทั้งแกน่นไม่ประดูนานหัก ถึงคนฟันก็ยากที่จะขาดคนตัดข้อน้อก็อยากที่จะลมคนทีมีกําลังยิงจังก็ไม่ได้ถ้าหากมีแต่แก่นอย่างเดียวไม่เอาละสมาธิชินสมาธิไม่ต้องละมีแต่แก่นอย่างเดียวเขาเรียกว่าตนไม่ตายต่นไม่ตายอยู่ไม่ได้นาน อาหารปารียเจ้าท่านถึงอรหัตตผลอรหัตธรมอรหัตรมะกรหัตตผลแล้วทิ้งหมดสินสมาธิไม่ต้องรักษาท่านดับขันเข้าสู่อริพพานแล้วหมดเรื่องพวกเรามาที่หลับมาเกิดที่หลังเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรม ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดขึ้น อ, อยู่เหตุ <S <S นั้นพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกะพริมีทั้งแกน่นจึงค่อยยืนนานมาสองพันกว่าปีมาแล้วพวกเราที่จะเป็นพุทธมามะกะก็ต้องดําเนินตามรอยของท่าน คือท่านวางไว้ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามไปทิ้งไงคนโน่นคนนี้เราแล้วไม่ยอมปฏิบัติสาธนาจะเสื่อมเร็วความมนิจจะเข้ามาถึงเร็วที่สุดต่างคนต่างพากันเข้มแข็งก้ า, าหาญอุตสาหพัญยาม ทำตามให้มั่นคงข้อมันนิดเชิดมันมาเถอะมันมาเขาให้มันเข้ามาเต๊กบ้านเต็มเมืองได้ก็มาเถอะมันเข้ามาไกลมาเป็นพุทธศาสนาศาสนิกชนกับพวกเหล่าที่ไหนข้อมันนี้เลยหายหมดเดี๋ยวนี้เราขี้เกียดทำไม่อยากทำ ส่งให้พระทรแรจะส่งให้มคนเข้าวัดเข้าว่าคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดหรอกจะางค่อยทำอยู่บ้านทำไม่ได้สมาธิภาวนาเลยไม่ทำแก่วันแก่เดือนแก่ปีไปเดิหมดอายุตายเฉยๆไม่ครบสักทีชินสมาธิปัญญา ของดีๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราประสบพบเห็นเขาต่ทอดทิ้งยังไงวระพุทธเจ้ามาใส่ใจเราใจแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเอาทำคำสองก็าไปจเอาไว้บางสี่งทำไม่ได้ก็ทำทีละน้อยละน้อย วันหนึ่งวันหนึ่งให้มีเวลากลางคืนนมันไม่มีเวลากลางวันก็เวลากลางคืนก่อนจะดับจะนอนทําสมาธิจังนิดจังหน่อยได้ทีละนิดตะนิดหนึ่งกันยังดีได้ทุกวันทุกวันใด้ทีลนิดละนิดหลายวันมันก็ค่อยมากขึ้นค่อยมากขึ้น อันนี้ไม่ทำเชื่อเลยแต่ไม่มีไม่มี ไ, มมได้เลยท น, นิดเดียวมดเรื่องจะเป็นพุทธมามะกะเป็นพุทธศาสนิกชนแท้ต้องฟักไฟเห็นของดีพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้แล้วพยายามทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหัดส ม, มาธิภาวนาอย่างน้อยที่สุด ได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าท่านไ ม, ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทพหรอกแต่เป็นเกจีอาจารย์ท่านสอนไว้ทำทานตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งเดียวรักษาศีลตังร้อยครั้งพันครั้ง ไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่งภาวนาจังร้อยครั้งพันทีทาจิตให้รวมขณะเดียวเท่านั้นทั่วชั่วช้างพับหูงูแลบลินได้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้มันเป็นนิสัยสืบเนื่องไปตลอดหลายภพหลายชาติที่ทำ ทำเพื่อให้เป็นนิสัยยังแม้ท่านพ้นทุกก็ทำให้เป็นนิสัยนิสัยที่เราทำไปแล้วน่ะมันไม่หายไปไหนก็ปมาเปรียบเหมือนกนัคนเราที่เป็นคนไทยไปอยู่ในต่างด้าวต่างแดนจะไปอยู่สักกี่ปีก็เอาถึกมีคนไทยไปหาคนสองคนพูดไทยจอเลยทีเดียว ฝรั่งไม่เหมือนคนไทยพูดก็ไม่ชัดอันนั้นเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยติดไปชาวกราเมืองไทยก็พูดได้ง่ายกว่าฝรัง่งนิสัยอั น, นั้นน่ยมันติดสันดานไปการทําทานรักษาศีลการเมตตาภาวนาการที่อบรม สมาี่ปัญญามันติดไปหลายพหลายชาติจึงจะเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้ามิใช่ตายในเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติมันจะเจริญ ง, ง, งอกงามมันจะเจริญด้วยสติปัญญาหาไม่ได้ไม่ทําดีมันจะได้ยังไง ยังมีนาำซ้ำชั่วเร็วตามลงไปอีกซ้ำตายไปเกิดเป็นสัตว์เป็สารเป็นเปรตอสุรกายสามารถที่จะไปได้ทั่วทุกแห่งนิสัยที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีๆเนี่ยติดนิดสัยนั่นแหะค่อยดีไปดีไ ป, ไปเรื่อยๆไปก็มีวันที่จะพ้นจากทุก มันนานนักนานหนาเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มันเป็นกลับเป็นการโอ้โหยเราจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะเป็นนอนท่าให้มันเจริญเติบโตด้วยคุณธรรมมันไม่ได้เราพากันรีบเร่งขวนขวายทำเสชาตินี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรามีศรัทธา าพยากยันญาณทรมเจียมีจังได้ชื่อว่าพุทธมามะกะมีการรักษาศีลมีการทาความเพียรภาวนาทำสมาธิมีการเจริญปัญญาด้วยประการอย่างนี้อาวแล้วการทำภาวนาสมาธิ ให้เข้าใจเป็นความหมายไม่เข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทําให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจคือทํำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำํำนึงถึงนมาแล้ว ขอให้ใจมันสงบเสีกยก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทํางานตลอดวันข้ามคืนลมคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิน้นเร้ว่า ง, งานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจกม็มีพลังอ่อนเพียกระทอบอะไรเข้ากับวันไหวจิตที่วันไหวกระทอบอะไรเกิดความวันไหวให้เกิดความเพลิน หัวเลาะเฮหาให้เกิดความกลุ่มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องโห o อันนี้ด้วยแต่กำพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเหมือนกับคนเราทํางานงานกายร่างกายถ้าหากเราทํตาตลอดวันค่ําไม่มีการพักทํางานมันก็ไม่เคยได้ผลเพียเดะยวก็ง่วงซึมนอนหลับไปเสียมีความหมายของการทําสมาธิคือพัก ไดแก่การทำความสงบที่เรียกว่าสมถะจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้ก็ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำเล ย, เยสักทีแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักคือใจคืออาใสมีแต่วุ่นมีแต่ส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นนั้นเราก็พัก ใจให้มันสงบลงไปใช่ไหมฮะโอ้ใจคือความสงบคือตรงนี้เองขอาสงบอยู่นี่อ่ะนี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความทําสมาธิภาวนานะั่นคือการพักใจให้เข้าใจไปแค่นี้แหลก็แล้วกันจะเห็นโน่นเห็นนี้โดยอยากได้นโน่นไนี่อย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดถึงมันถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบ ไม่ให้ส่งให้คิดนึกเอาปัจจุบันมางที่อาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่ยังค้างๆก็า ข, า, ข, า, ข, า, ขาจะสําเร็จได้งไงเอาให้เช็ดก่อนทดลองลองตรงนี้เชก่อนไม่นึกคิดลองลองดูงานไม่จะเสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทํางานในเวลาทำเราอยังค่อยทําสิคิดนึกซะ ก, ก่อนถ้าทาถู ก, ก, กนในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทําก่อนสงบ ได้แล้วการงานบางที่อาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นในตนเองเรายังไม่ทันถึงขั้นนะั้นเรายังทําไม่ได้อย่างนั้นเรามาต้องทดลองทําลองดูเมื่อสงบแล้วการงานจะดีไหมงานที่เราจะต้องทําต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบที่เป็นไม่ได้ทิ้งไว้ใช่ก่อนฉะนั้นจริงว่าหัดทํำกลมสงบใจเป็นของวัดแกวงเป็นของเบา มีอะไรกระทบนิดเดียวก็กัดแกงไปดูไปเลยเหตุนั้นการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมันม่นอยู่ในจุดเดียวคิดใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจฝ่ายใจโมของเรานั่นแ่ะเพื่อมากระทบอยู่ตรงนั้นพรมันกระทบกันให้รู้สึกกระทบความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจคือความรู้สึกนั่นแหะเนื้อค่ะสติคุมให้อยู่ตรงนั้นมาให้มันส่งไปที่อื่น หรือเราจะภาวนานึกพุทโธเก็ต่างักได้เหมือนกันให้อยู่พุทโธนึกพุทโธ น, น, นึกนึกไม่ต้องคิดไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่แขงเดียวอย่างนี้แค่ก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในที่เดียวสติ คจิตจะไปอยู่ในที่เดียวเราจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ในพุทโธก็ไม่ทราบไปอยู่ไหนมันทั้งไปเปลี่ยนอันหนึ่งของมันอันนึ่งเดียวเกิ้กัน